นัสบิร์ฟี l a a ซ์จ้า a ารักอั a a อฮ์ฟิจ๊ะจ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستحري ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا م د ل ل ه وما يدله فلا ه ا ل ي ل ع م ا ر السلام عليكم ورحمة الله ว่บ้าหรอกแกตูครับพี่น้องที่รักยิ่งครับผมเหมือนการสรเสริญเป็นของพวกลอผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ที่สร้างสรรพสิ่งมาเพื่อยังประโยชน์ให้กับมนุษยชาติแล้วก็ผู้ที่ส่งมอบบททดสอบให้กับพวกเราแล้วก็เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือพวกเราอยู่ตลอดเวลาวันนี้ครับเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงของอถาธิบายอัลกุรอานซึ่งครั้งนี้เราก็ต่อกันในบทที่๙๑ก็คือซุลร์อัชชัมซ์ซึ่งจะเป็นตอนที่สองครับผม พี่น้องที่รักยิค่ครวามเดิมตอนที่แล้วเราได้พูดเกินกันแล้วนะครับว่าสุรัตอัชชัมเป็นสุรัตที่ถูกประทานลงมาเป็นอายะถ้าเกิดเลี้ยงตามมาแบบในคัมภีร์อัลกุรอานก็เป็นอายสุรัตที่เก้าสิบเอ็เป็นสุราตมักกียะถ้าเรียงตลอดดับก็คือก็หลังจากที่เราได้พูดคุยเรื่องอัลเ ล, ลซึ่งอัลเ ล, ลก็เป็นอายะที่เก้าสิบสองในอายะที่เก้าสิบเอ็นะครับอัชชัมเราจะสังเกตได้นะครับว่าพวกเราได้ทรงสาบานด้วยกับสิ่งต่างๆมากมายซึ่ง รวมทั้งหมด8อายะห์สาบานด้ยวยกับ7อย่างด้วยกันซึ่งในสุร้อนี้เราจะพบว่าเราได้ประเด็นที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ประเด็นที่เราควรจะต้องตระหนักกันให้มากมา ก, mm hmm. พกเพราะว่าสาบานถึงอะไรบ้างครับพเพราะวาสาบานอย่างแรกพกราากุ่งก็อินทัคีลาอาระวะอุลบิลลามิชิตานุรฮิมบิสมิลลารห์ร็อฮ์มานุรฮิมวอลาบะว่าชั่มซีวะดูฮ่าฮ่าขอสาบานต่อดวงอาทิตย์แล้วก็ยามสายของมัน แล้นั้นพวกเราได้สาบานต่อดวงจันทร์เมื่อตอนที่ว่ามันนั้นมาภายหลังดวงอาทิตย์เมื่อมันที่ได้ได้ทอแสงของมันมาวันนาฮารีเดจันและเฮแล้วก็เมื่อกลางวันได้มาปกคลุมเช่นเดียวกับวันนาฮาวันไลลีอิดายักชาเมื่อยามค่ําคืนได้มาครอบครองครอบคุมหลังจากที่ว่ากลางวันมาวัตซอมาอิวมาบันนฮาวันอาร์มิวมาต่ฮาฮาสาบานด้วยกับท้องฟ้าแล้วก็สาบานด้วยกับผืนแผดินโลกทั้งหมด พี่น้องที่รกยิ่ครับถ้าเกิดเราสังเกตดูครับในการสาบานนี้ของพุ่งอลล้อ น, นั้นสาบานถึงแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นสิ่งที่ว่าเราสังเกตเห็นได้ตลอดเวลาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนท้องฟ้าแล้วก็แผ่นดินแล้วมันแทบจะเป็นเกือบทั้งหมดเท่าที่เรารับรู้เกี่ยวกับการสร้างของพุ่งอลล้อนีที่ว่าเกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรง หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเกิดเราดูสิ่งที่พระองศาบานทั้งหมดถ้าเกิดเราดูการสร้างสรงสรค์ดวงอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ว่าขนาเใญ่โตโมโหรานการสร้างสันดวงจันทร์ทั่วมีผลกระทบกับแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกแล้วก็กลางวันกลางคืนแผ่นดินแล้วก็ฟ้าฟ้ า, าทั้งหมดทําไมพรวกเราต้องสร้างสิ่งทั้งหมดนี้ ทำไมพวกเราร้องสร้างฝาฝ้ า, ฝาที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการของมนุษย์สร้างโดยอัติที่ว่ามันเกินการรับรู้ของเราว่ามันประกอบไปด้วยอะไรยังไงบ้างมีรายละเอียดอะไรบ้างยังประโยชน์อะไรกับเราบ้างแล้วก็ลงทั้งดวงจันทร์แวก็ลงทั้งหมู่ผ่นดิ น, ดดนลงทั้งกลางวันแล้วก็ลงทั้งกลางคืนทั้งหมดเป้าหมายที่พวกเราร้อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างก็ต่อฟลามันจักร์หลังจากที่พระองค์สาบานด้วยกับการที่พระองค์นั้นได้สร้างชีวิตจิตใจของพวกเราทุกคน พวกลาบอกว่าแน่นอนผู้ที่ขัดเกลจิตใจของเขานั้นย่อมได้รับชัยชนะพี่น้องลองคิดตามผมนะครับหมายความว่าจั ก, กรวาลทั้งหมดที่พระองค์ลอสสร้างทุกอย่างที่พระองค์ลอสสร้างความยิ่งใหญ่ที่พระองค์ลอสสร้างให้เราได้รับรู้ให้เราได้ศึกษานั้นทั้งหมดเป้าหมายของมันมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือเพื่อที่จะช่วยให้พวกเรานั้นได้ผ่านบททดสอบของพวลด้วยการขัด เก่าจิตใจของเราทําไมถึงมีดวงอาทิตย์ทำไมถึงมีดวงจันทร์ทำไมถึงมีท้องฟ้าทําไมถึงมีโลกทําไมถึงมีดุนยาคาตอบก็คือเพื่อให้ทั้งหมดนั้นเป็นสถานที่ที่เรานั้นจะได้ใช้เพื่อขัดเกลาจิตใจเล็กๆนี้ของเราถูกต้องครับทั้งหมดเพื่อจิตใจหัวใจของพี่น้องหัวใจของผมที่พุทธล้อสร้างดวงอาทิตย์ที่ว่าเกินจิตนาการสร้างดวงจันทร์สั่ง กางวันสร้างกลางคืนสร้างแผ่ดินสร้างท้องฟ้าทั้งหมดนั้นเป้าหมายมีเพียงอย่างเดียวในการมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้นว่ลลาลอตตาลาอาลัมหลักๆที่อลล์ล็อกในส่วนเลาะนี้ก็คือหลังจากที่วอลล์ล็อกสาบานกับทั้งหมดพวกวอลล์ล่ากาว่าก็ตอฟละฮามันซักกะหาใครก็ตามที่ขัดเกลาจิตใจของเขาเขานั้นเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะอย่างที่พวกเราทราบก็ ว, ว่าพวกเราทุกคนนั้นเหมือนกับที่ท่า น, นลลอับดอลเลาะห์สั่งได้กล่าวไว้ก็คือยู่และดูดอินซานุอัลลฟิตเตาะ ฟะ บ, บาวาหูยวฮวีด้ย อ, อน ร, รัสซิโรนี อ, อนา อ, อูมาจซนลูกหลานของอาดัมทุกคนเนี่ยเกิดมาก็ด้วยกับธรรมชาติที่งดงามตามที่พวกเราสร้างแต่ว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ช่วมาหล่อหลอมเขาสร้างสภาพแวดล้อมของเขาให้เขากลายเป็นอาจจะเป็นคริสอาจจะเป็นยิวอาจจะเป็นบูชาไฟหรืออะไรก็ตามแต่แต่หมายความว่าเริ่มต้นของชีวิติใจพวกเราทุกคนนั้นขาวสะอาดหลังจากนั้นก็ ด้วยกับการผันผ่านของเวลาด้วยกับการดวงอาทิตย์ขื่นดวงดวงจันทร์ขึ้นเวนเวลาที่ผันผ่านทั้งหมดนั้นมีเป้าหมายอย่างเดียวก็คือเพื่อหล่อหลอมจิตใจของพวกเราให้ขัดเกลาตนให้เป็นคนดีให้เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักซุบฮานะลอฮ์กอนอัฟละฮ์มันจะแก่แปลว่าทั้งหมดที่บัลลอฮ์สร้างครั้งหมดเพื่ออย่างเดียวเท่านั้นคือเพื่อให้เรานั้นได้ขัดเกลาจิตใจของเรา ซึ่งใครก็ตามที่สามารถขัดเกลาจิตใจของเราได้จนกว่าโลกนี้จะถึงอายุไขัของมันจนเมื่อถึงวันที่เราเสียชีวิตแล้วเราขัดเกลาจิตใจของเราได้เราก็ได้รับชัยชนะแต่และเกิดว่าผู้ใดก็ตามที่ทําให้มันสกรปรกเกิดมาสาดอยู่แล้วแล้วก็ให้จิตใจนั้นอยู่แต่ในสภาพแวดล้อมที่สกรปรกสกรปรกสกรปรกสกรปรกจนหัวใจนั้นกายเป็นสิ่งสกรปรกไปเลยกอขบมัน ใครก็ตามที่ทำให้จิตใจของเขาหัวใจของเขาสกปรกนั้นเขาก็พบกับความขาดทุนอย่างยิ่งยวดแล้วครับพี่น้องที่รักยิ่งครับในเรื่องของจิตใจครับมีประเด็นที่ว่าอยากจะมาชวนคุยกันอย่างที่เราได้คุยกันไปในตอนที่แล้วนะครับว่าในเรื่องจิตใจของเราเนี่ยพวกเราได้กล่าวว่าฟอัลฮะมะฮะฟูจูรอฮะวาตักวาฮะจิตใจของคนทุกคนนั้นรู้ผิดชอบชั่วดี อย่างปัจจุบันอาจจะมีกระแสที่บอกว่าความดีมันไม่เหมือนกันอย่าเอาความดีของคนคนนึงไปยัดเยียดให้กับอีกคนคนหนึ่งตามธรรมชาติของมนุษยชาติแล้วมันอาจจะมีความดีที่ว่าแต่ละคนมองต่างกันมองคนละมุมกันแต่ว่ามันก็จะมีความดีสาคัที่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ถ้าเป็นคนที่ยังมีความเป็นคนอยู่เขายังคงมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอย่างยกตัวอย่างการกรตัญยูต่อพ่อแม่ พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาเสียสละเพื่อเราทุกสินทุกอย่างปัจจุบันอาจจะบอกว่าทําไมฉันต้องไปทําดีด้วยล่ะฉันไม่ได้อยากเกิดมีความสุขกันสองคนให้ฉันเกิดฉันไม่เกี่ยวฉันไม่ทําความดีคนที่พูดอย่างเงี้ยถ้าถึงเวลาถ้ามีลูกเดี๋ยวเขาจะโดนลูกพูดเหมือนกับที่เขาพูดกับพ่อแม่เขาคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นความดีธรรมชาติที่ดีงามธรรมชาติที่งดงามการที่ว่าได้รับบุญคุณปุ๊บมีการตอบแทนหรือว่าการหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้กับคนที่เดือดร้อน อะไรก็ตามแต่รั้นเป็นความดีที่ว่าจะยุคใดสมัยใดสังคมใดก็ตามมองว่าเป็นสิ่งที่ดีงามนี่คือศาสนาอิสลามนี่คือคำสอนของศาสนาอิสลามเพรา ะ, ะนั้นความดีที่เป็นสากล น, น่ยมันมีอยู่มันมีอยู่ชัดเจนมันมีอยู่ชัดเจนแล้วเราก็พบได้ในคำสอนของอัลอิสลามครับพี่น้องที่รักที่ครับจิตใจของคนเราเนี่ยถ้าเราดูในยกุรานพวกเราก็จะกล่าวไว้จะมีอยู่3ประเภท สประเภทบางท่านอาจจะแบ่งเป็น3ระดับผมขอใช้คําว่าแบ่งเป็น3ประเภทมีจิตใจครับด้วยจิตใจโดยปกติทั่วๆไปอย่างที่วอลการ์ในสรุรยุซุปก็คืออินนั่นนับเซะละอัมมารตุนบิสูอินละมาโรใหมารอบบีในสรุรยุซุปของก็บอกว่าถ้าพูดถึงจิตใจเนะี่ยโดยพื้นฐานแล้วจิตใจเนี่ยจะสั่งใช้ให้ทําความชั่วหมายถึงว่าในตัวเราเองเนี่ยแหละครับส่วนหนึ่งในจิตใจของเรามันจะคอยกระซิปจะระซาบให้เราทําสิ่งที่ไม่ดี คอยยุ่ยแย่ให้เราและทิ้งสิ่งที่ดีงามซะทำไมต้องไปทำดีกับคนนั้นไม่ต้องไปทำดีหรอกมันยังไม่เห็นทำดีกับเราเลยแล้วเคยทำดีกับมันมันหักหลังเราความคิดที่ไม่ดีโดยธรรมชาติโดยที่ใชยตอนยังไม่ต้องเริ่มลงมือเนะี่ยมันมีอยู่ในตัวทุกคนพวลเราเรียกว่าไงครับอินน์นับซาลามาราตุนบิสูจิตใจนั้นสั่งใชใ้ทำความชั่วแต่ในขณะเดียวกันในใจของคนทุกคน ในใจของคนทุกคนก็มีใจอีกประเภทนึงก็กล่าวในสโกียามากว่าเวลาอุกัซิมูวินนับศิลวาไหมข้าขอสาบานอย่างจริงจังถึงจิตใจที่ว่าปณิตําหนิหรือว่าประนามตนเองโดยพื้นฐานแล้วคนเราที่เกิดมาธรรมชาติที่งดงามถ้าเจอสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราไปทํามันในช่วงแรกๆใจเรารับไม่ได้แต่ถ้าเราปล่อยให้ใจที่ว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่คอยส่งเสริมแต่ให้ทําความชั่วให้มัน ได้ส่งเสริมและทำความช่วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใจที่ว่าตำหนิตัวเองเนี่ยจะค่อยๆอ่อนแรงลงบทบาทจะค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนอาจจะหายไปในทีเดียวในที่สุดนาโอซูบิไลมินซาลิกแล้วจิตใจของคนเราครับถ้าเราสังเกตดูนะในช่วงวัยเด็กในช่วงอะไรก็ตามแต่เนี่ยจิตใจของคนคนเรามักจะไม่นิ่งอย่างวัยรุ่นอย่างเยาวชน เครื่องร้อนไฟร้อนรุ่มทําอะไรนี่คือรุนแรงบาปีไม่คิดหน้าไม่คิดหลังใจยังไม่นิ่งแต่เมื่อผ่านจุดจุดหนึ่งแล้วใจใจะนิ่งใจนิ่งมีหลายเรื่องแต่ถ้าสูงสุดของใจของผู้ศรัทธานั่นคือใจที่สงบอันนับสนมุหมายนะใจที่สงบคืออะไร ใจที่สงบคือใจที่ว่าไม่ว่าจะเจอบททดสอบใดก็ตามมันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ตามแม้ว่าจะต้องหลักน้ำตาบ้างก็ตามทรมานเจ็บปวดรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจรู้สึกหวาดกลัวอะไรยังไงแค่ไหนก็ตามก็สามารถที่ว่าจะอดทนผ่านพ้นมันไปได้คนที่อดทนไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่รู้สึกรู้สาอะไรเพียงแต่ว่าเขา ผ่านมาเยอะจนกระทั่งว่าเขาสามารถที่จะสงบอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายได้เหมือนกับเขาบอกถ้าเกิดอย่างผู้ชายปกติผู้ชายจะเป็นผู้ชายสมบูรณ์เมื่ออายุ40ปีก็คือความคิดคําอ่านเริ่มสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็เมื่อมีครอบครัวเมื่อมีอามานะเมื่อลูกๆเริ่มโตจากบททดสอบต่างๆที่เจอทั้งบททดสอบในชีวิตของตัวเองบททดสอบที่ต้องเจอเมื่ออยู่กับคู่ครองบททดสอบที่ต้องเจอเมื่ออยู่กับลูกๆ การที่ต้องพยายามทําอามานะของตัวเองให้ดีที่สุดมันจะทําให้จิตใจของเรานั้นแข่งขึ้นแก่งขึ้นแข่งขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นนิ่งขึ้นลองสังเกตดูยิ่งใครก็ตามที่ผ่านบททดสอบหนักๆเยอะๆอย่างผู้ศรัทธาเขาจะสงบเขาจะนิ่งขึ้นและนี่คือนับสุลมุตมาอินนะจิตใจหนึ่งที่ว่าใครก็ตามหากเสียชีวิตนี้โดยที่เขามีจิตใจในสภาพนี้คือสงบแล้วพร้อมที่จะไปพบกับอัลลอฮ์คือถ้าเขามีชีวิต เขาก็ทําอีบาแล้วต่ออัลลอฮ์อย่างเต็มที่แต่ถ้าเขาเสียชีวิตเขาก็พร้อมที่จะไปกลับกลับไปหาพวกอัลลอฮ์กลับไปในสภาพที่เขามีความสุขในสภาพที่เขาอิ่มเอิมปีดีดีใจเหมือนกับที่ท่านบีมัสรัซซัมได้ขอดูอาครับว่าอัาลลอฮ์หากว่าการมีชีวิตอยู่ของฉันเนี่ยมันดีสําหรับฉันสำหรับอาคเครอของฉันดุลยาของฉันรวมถึงอาคเคร์อัคเะรอสำคัญกว่าก็ ข, าขอให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไป แต่ถ้าฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วมันแย่สําหรับฉันสำหรับอเคุรรณของฉันก็ปวดให้ฉันเสียชีวิตด้วยนี่คือดุอาที่ท่านเบียร์มัสเซอร์สลัมขอไม่ใช่ว่าท่านเบียร์อยากเสียชีวิตเพียงแต่ว่าในมุมมองของท่านคือท่านสงบแล้วท่านทำตามอามานะเต็มที่แล้วท่านก็มั่นใจมอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของท่านแล้วให้กับพวงละล้อคือถ้าพวงละล้อจะเก็บวิญญาณท่านก็เก็บถ้าพวงละล้อจะปล่อยไว้ก็ปล่อยไว้ซึ่ง ในช่วงบ้านปลายชีวิตของท่านอับดุลเลาะห์ของอัลเลย์ซัลลัมก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนั้นท่านไม่สบายแล้วก็อาการหนักลูกสาวของท่านท่ัดิงฟาติมาแล้วก็ซอบาหลายหลายท่านที่มาก็เป็นห่วงหลายท่านก็เสียใจไม่อยากให้ท่านอบีจากไปท่านอบีก็พูดให้ลูกสาวท่านฟังว่าลูกเอ๋ยแน่นอนพวกเลาะห์น่ะให้บ่าวของพระองค์เลือกแล้วบ่าวก็ได้เลือกอาคีเลาะห์แล้วให้เลือกก็คือให้เลือกว่าจะอยู่ต่อ หรือว่าจะให้กลับไปหาพระองค์เพราะคือทํางานเสร็จแล้วแล้วท่านอาบีก็ได้เลือกแล้วซึ่งก็คือเลือกที่จะกลับไปหาพระอัลลอฮ์เพราะหน้าที่ของท่านจบสิ้นแล้วเพราะว่าท่านไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทรมานต้องเหนื่อยยากอีกต่อไปเพราะว่าท่านทําทุกสิ่งทุกอย่างดีที่สุดเท่าที่ท่านจะทําได้ใจของท่านสงบที่สุดแล้วนับซุลมุตมอิน์นะซึ่งก็ขอดอวยจากพระอัลลอฮ์ครับให้พวกเราทุกคนครับเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ว่าได้ จากโลกดุนยานี้ไปในสภาพที่จิตใจของเรานั้นสงบแล้วก็พร้อมกลับไปหาผู้อัลลอฮ์โดยที่พ AH. ู้อัลลอฮ์ก็พอใจเราแล้วเราก็พอใจในพระองค์อันนี้ก็คือจิตใจที่ว่าจะมีกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานพี่พน้องที่รักยิงครับสิ่งที่ว่าต้องตอกย้ําเป็นประจำในเรื่องของจิตใจเราก็คือจิตใจเราเนีมันเบี้ยวได้ตลอดเวลาแล้วพู้อัลลอฮ์ก็ได้ย้ํา ประโยคให้เราต้องตอบย้ําในความคิดของเราอยู่ตลอดเวลาในจิตใจของเราตลอดเวลาว่าเราต้องตรวจสอบตัวเองเป็นประจำพี่น้องปกติเราแต่ละวันเน่ยเราอาจจะกลับบ้านมาพอถึงตอนกลางคืนเรามานั่งเตรียมงานถูกไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทําอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีรายได้เข้ามาตรงไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีรายจ่ายตรงไหนเราต้องไปส่งลูกไหมหรือว่าเราต้องไปทําอะไรต้องไปหาหมอหรือต้องไป แล้วจะมีการวางแผนวางระบบแล้วจะคิดและเราจะเตรียมไว้ถ้าหลายหลายอย่างแล้วรู้สึกว่าโอ้พวกนี้นะถ้าเกิดเรายังไม่รีบเตรียมเนี่ยดูมันจะไม่ทันเอาผ้ายังไม่ได้ตากเลยเดี๋ยวพรุนี้จะเอาอะไรใส่เราจะมีการเตรียมวางระบบระบบระบบระบบระบบเพอเราบอกสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านั้นทั้งหมดเลยสําคัญกว่านั้นทั้งหมดวอลตันยุดนับซุ่มมากระเตมัดเหลี่ยค แต่และชีวิตจงพิจารณาดูให้ดีๆว่าเขาเตรียมอะไรไว้แล้วบ้างให้สําหรับวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ในที่นี้หมายถึงอะไรครับวันกียร์มะโลกแน่เพราะคําว่าพรุ่งนี้หรือว่าวันเกียรมะเนี่ยมันเป็นวันที่ว่าไม่มีทางที่เราจะได้กลับมาไม่มีทางที่เราจะบอกว่าเออฉันลืมกุญแจนะั่นเดี๋ยวฉันกลับแป๊บกุญแจก่อนไม่ในดุนยาทําไม่ได้ดญญ ลอเตือนด้วยความเป็นห่วงว่าตรวจสอบตัวเองให้ดีถ้าเกิดในดุนยาเนี่ยคุณวางแผนวางระบบเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีแล้วทำไมคุณถึงไม่วางแผนอะไรในเรื่องที่มันสำคัญยิ่งกว่านั้นทั้งหมดเลยละ่ะเพราะถ้าเกิดเราเสียชีวิตณนะวันนี้วินาทีนี้เวลานี้อะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับดุนยาไร้ค่าสำหรับเราพี่น้องที่รักครับบางท่านครับสูญเสียคนที่เป็นที่รักไป แล้วเขาก็มาถามผมเนี่ยอาจารย์เขาจะยังรับรู้อยู่หรือเปล่าเนี่ยเขาจะคิดถึงฉันไหมเนี่ยฉันจะได้เจ อ, อเขาไหมจะฉันพูดเนี่ยเขาจะได้ยินไหมก็คือยังรู้สึกผูกพันกับคนที่จากไปพี่น้องครับสําหรับคนตายมันมีเรื่องใหญ่ยิ่งกว่าที่จะมาแคร์เราแล้วสําหรับคนตายโดยปกติแล้วมีเรื่องใหญ่ที่เขาให้ความสําคัญยิ่งกว่านั้นเขามีเรื่องให้เครียดว่าเนี่ยมาริกาจะมาสอบถามฉันจะตอบได้ไหม ชีวิตในดูมฝังศพของฉันเนี่ยกูโบของฉันจะแคบสุดๆหรือว่าจะกว้างสบายแล้วถ้าเกิดว่ากูโบกว้างสบายก็แปลว่าเขาได้พักผ่อนเขาก็หลับยาวถามว่าจะมาแคร์เราอยู่ไหมไม่มีเหตุผลที่ต้องแคร์ก็คือชีวิตเขาจบก็เหมือนกับว่าเขาผ่านช่วงหนึง่งไปอีกสเตทหนึ่งของชีวิตของเขาเขาก็นอนรอส่วนถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ดีเ ข, เขาถูกทรมานเขาถูกทําร้ายทําลายตลอดเวลาถามว่าเขาจะมาห่วงไม่ว่าใครจะคิดถึงเขาใครจะมาทําอะไร มันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นแล้วมันเป็นแค่ความผูกพันของเราที่มีต่อเขาแต่สําหรับคนที่จากไปแล้วเขามีเรื่องให้เขาต้องเครียดเยอะกว่านั้นมากเลยเยอะกว่านั้นมากเลยนี่เป็นประเด็นที่ว่าพวกเราทุกคนนั้นต้องต้องระวังตัวให้ดีครับต้องระวังตัวให้ดีฟันตันุนับซุ่งมาคัสเดมัดเหลือเือวัดชีวิตนั้นจงดูให้ดีๆว่าเขาเตรียมอะไรไว้ ให้สำหรับวันพรุ่งนี้บ้างเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญสำหรับมุสลิมคืออะไรครับเราต้องมีการตรวจสอบตัวเองเป็นประจำพี่น้องปัจจุบันเรามีเวลาเยอะเหลือเกินในการตรวจสอบคนอื่นแล้วเรามีเวลาน้อยเหลือเกินในการตรวจสอบตัวเองเวลาเราตรวจสอบคนอื่นนี่เราตรวจสอบแบบละเอียดยิบไอ้นี่มันทําไม่ดีอะไรยังไงบ้างมันทํำยังไงมันว่าอะไรมันคิดยังไงบางทีเราตัดสินเนียบเขาเรียบร้อยเล ย, ม, ยมันต้องคิดอย่างนั้นแน่ๆมันต้องคิดอย่างนี้แน่ๆมาเลยพูดอย่างนั้น ล้วมีเวลาไปตัดสินคนเป็นชั่วโมงชั่วมง Thursday, บางทีก็ไปดูข่าวอดารานี่เอามาเลิกกันอันนี้มันเป็นแม่ไหมรับผิดชอบอันนี้เป็นพ่อไหมรับผิดชอบ อ, นนอันนี้มันไปทําจีนากันอันนี้มันอะไรก็ตามแต่แล้วมีเวลาตรวจสอบคนอื่นเยอะเกินไปบางทีเยอะจนกระทั่งว่าไม่ตรวจสอบคนที่มีชีวิตปกติไปตรวจสอบตัวละครในหนังโอ้เนี่ยพระเอกจะโดนนางเอกทิ้งเนี่ยนางเอกเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอย่า ง, ง น, นี้เออทำไมเกิดอย่างนี้เนี่ยเสื่อมสารจังเลยเนี่ยทำไมตัวละครต้องเป็นอย่างนี้ด้วยหน้าตาหล่อห ล, อ, ลอนี้ไม่น่าโดน ย, ำย่ำอะไรก็ตามแต่ เรามีเวลาไปตรวจสอบคนอื่นเยอะเหลือเกินแต่ว่าเวลาที่เราจะอยู่นิ่งๆกับตัวเราแล้วนั่งตรวจสอบว่าวันนี้เราทำอะไรไปแล้วบ้างมีอะไรบ้างที่เราลืมอรมานะอะไรบ้างที่เราบกพร่องสิ่งไหนที่เราต้องทำแต่เราดันไม่ได้ทำสิ่งไหนที่เราต้องไม่ทำแต่เราดันทำอย่าลืมนะทุกอย่างที่พระเจาสร้างเลยนะครับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ท้องฟ้า แผ่นดินกลางวันกลางคืนทั้งหมดนั้นเป้าหมายหลักๆ ก, ก็คือเพื่อให้มนุษย์นั้นได้มาอยู่ในดุนยาแล้วมารับบททดสอบบททดสอบมีอย่างเดียวคือทอําำไงก็ได้ให้อัลลอฮ์รักนั่นก็คือเขาต้องขัดเจลาตัวเองให้เป็นบ่าอที่อัลลอฮ์รักแค่นั้นเลยจริงๆทั้งหมดมีเพื่อยอย่างเดียวทั้งหมดมีเพื่อเป้าหมายเดียวใครทําได้ก็อัฟลาฮ์เขาได้รับชัยชนะใครทําไม่ได้กอ็คอบะพบกับความหายนะพบกับความขาดทุนซึ่งคําว่าขาด ทุนที่ผูก้กําลังใช้ผู้กําลังใช้คําว่าขาดทุนคําว่าขาดทุนในที่นี้เป็นคําว่าขาดทุนที่เกินจินตนาการมันยิ่งกว่าล้มละลายในโลกนี้ยิ่งกว่าโดนฟ้องไม่เหลือทรัพย์สินโดนทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมันยิ่งกว่านั้นเยอะเพราะโลกนี้จบที่ตายแต่โลกหน้าไม่มีคําว่าจบที่ตายมันยาวเกินจินตนาการทั้งความทรมานทั้งความสุขทั้งหลายทั้งปวนนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ เืนจินตนาการเพราะนั้นครับการตรวจสอบจิตใจของเราเนี่ยถือว่าเป็นเหตุผลหลักๆเป็นสาเหตุหลักๆที่เพิ่มความยำเกรงต่อรถที่เพิ่มความตักว่าแล้วก็ที่ทำให้เรานั้นได้คิดในสิ่งที่เราหลงลืมไปนี่คือเหตุผลครับที่ว่าทาไมท่านบิวมัสโซลอยสระมถึงชอบที่จะไปเยี่ยมหลุมฝังศพ แล้วท่านก็ส่งเสริมให้ทุกคนไปเยี่ยมหลุมฝังศพแต่ไม่ใช่ไปแล้วไปนั่งล้ำลึกถึงคนตายไม่ใช่บอกว่าเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเขาสบายดีไหมไปถอนหญ้าไปทําอะไรก็ตามแต่สิ่งอย่างที่ผมบอกคือมไม่ใช่สิ่งที่คนตายต้องการเลยที่คนตายต้องการคือเราดูอาให้เขาเราล้อเมตตาเขายิ่งคนเป็นลูกคนเป็นญาติเนี่ยขอดูอาให้กับเขาแล้วก็หวังว่าเราจะเมตตาเขานี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการแต่ที่ท่านนบีมุสลิมบอกว่าย้ำว่าให้เราไปเยี่ยมหลดมฝังศพเพื่อล้ำลึกถึงความตาย บางคนไปหลุมฝังศพไปฝังไม่ยิดด้วยซ้ำยังคิดไม่ได้ว่าตัวเองต้องตายยังหัวเราะยังขำได้อยู่พอกลับไปหาครอบครัวก็ยังหลงและเลินกับตุญญนยาเนอจูบิไลมิยาลิกท่านอบีบอกว่าให้ลำลึกถึงความตายให้มากๆให้ไปเยี่ยมหลุมฝังศพไปให้สลามพวกเขาแล้วก็ไปคิดถึงความตายว่าถึงเวลาเราต้องไปอยู่ใต้นั้น เ, เราต้องไปทุกคนครับเราต้องตายทุกคนผมก็ต้องตาย พี่น้องทุกคนก็ต้องตายแต่ว่าเราพร้อมกันแค่ไหนเราพร้อมกันแค่ไหนการสอบสวนตัวเองยา้าต้องทำก่อนตายนะพี่น้องคือถ้าเกิดทุกคนเสียชีวิตไปแล้วเนะี่ยทุกคนสอบสวนตัวเองแน่นอนแต่ว่ามันมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วตอนนั้นนะครับผมมีครั้งหนึ่งครับพี่น้องพี่น้องเราลองมามองดูสัตจธรรมของชีวิต เรามาลองดูมองดูภาพรวมของชีวิตพี่น้องเคยมานั่งคิดเล่นๆไหมเรามาลองจินตนาการสมมุติกันพี่น้องคิดว่าอะไระเวลามองดูพวกเราอ่ะท่านเหล่านั้นจะมองด้วยความรู้สึกยังไงอะไระท่ า, านไม่กินไม่ดื่มไม่โกหกไม่ทําสิ่งที่ชั่วร้ายไม่ทําอบายามุกเวลามองโลกมนุษย์อ่ะพี่น้องคิดว่าท่านเหล่านั้นจะมองโลกมนุษย์ในมุมมองไหนวุ่นวายเละเทะ ตื่นเต้นในนิรุตกรรมมีความสุขกับคนที่ดีหรือว่าอย่างไงครั้งหนึ่งครับท่าน阿ลีร ي ْ د ُ اللهُ أَنْهُ ครับท่านได้ไปกับท่านยาบิษบินอับดิลละอันซารีครับผมครั้งหนึ่งเนี่ยท่านทั้งสองคนเนี่ยได้ออกไปด้วยกันออกไปนอกเมืองยามค่ําคืนเพื่อไปลำเลึกถึงความตายแล้วท่าน阿里ก็ได้ชวนคุยท่านอาลีก็ได้ชวนคุยครับบอกว่าเนี่ยคุณยาบิษ ดุนยาเนี่ยถ้าเรามาคิดดีๆนะมันมันอับประยชน์มันต่ำต้อยเกินกว่าที่จะหลอกล่อคนที่มีสติปัญญาได้ท่านอลีพูดเปิดมาอย่างนี้ดุนยาน่ยมันต่ำต้อยเกินกว่าที่จะหลอกล่อคนมีสติปัญญาได้คือถ้าเกิดว่าคนมีความคิดจริงๆถ้ามองดุนยาในภาพรวมเขาจะรู้สึกเลยว่ามันมันไม่ได้มีอะไรเลยอันนี้คือที่ท่านท่านอาลีพูด ฟังดูน่าสนใจอะไรทาให้ท่านมองอย่างนั้นแล้วก็เราจะมองแบบท่านได้ไหมท่านระีบอกว่าไงครับท่านรีบอกว่าการเสพสุขในดุนยาเนี่ยภาพรวมหลักๆแล้วคนเราจะมีความสุขจะเสพสุขในหกเรื่องมีแค่หกเรื่องมีเรื่องอะไรครับเรื่องกินถูกไหมที่เป็นความสุขของเราหลักๆมีเรื่องกินเรื่องดืม่มมีเรื่องของการที่ว่าได้สวมใส่มีเรื่องของการที่ว่าใดมีคู่ครอง มีเรื่องของการที่ว่าเรานั้นได้ไปดมดอมอะไรที่ว่าหอมๆกระสังความสุขหรืออันสุดท้ายก็คือการที่เราได้ฟังอะไรที่เรารู้สึกชอบความสุขของคนเรามีแค่นี้หลักๆถ้ารวมๆแล้วถูกไหมครับกินดื่มสวมใส่แต่งงานอาจจะแต่งจริงหรือว่าแต่งชั่วคราวอะไรก็ตามแต่นะมีการดมดอมแล้วก็การฟังหฟังคนนินทาหรือว่านาง่งอ่านอะไรคล้ายๆกัน ท่านิบอกว่าถ้าเกิดจะดูแล้วความสุขมันก็มีแค่หกเรื่องนี้แหละหลักๆมีแค่หกเรื่องคณิตบอกว่าครับพูดถึงเรื่องการกินอาหารที่ว่ากินง่ายที่สุดที่ว่ามันเหลวที่สุดที่มันเป็นอาหารให้พลังงานตามธรรมชาติคืออะไรครับน้ำผึ้งซึ่งน้ำผึ้งเนี่ยมันก็มาจาก พึ่งที่เป็นมแมลงตัวเล็กๆเป็นเศษที่ว่าพึ่งไปรวมเอามาผสมกันถูกไหมครับมาจากสิ่งที่ต่ำต้อยเอามารวมกันแล้วก็เป็นอาหารท่นรีพูดต่อครับถ้าเราดูถึงเรื่องเครื่องดื่มอะเครื่องดื่มที่ประเสริฐที่สุดที่ดีที่สุดที่ยังประโยชน์ให้มนุษย์มากที่สุดคือน้ําครื่องดื่มอะไรครับน้ําเปล่า ซึ่งน้ำเปล่าเนี่ยได้ประโยชน์กันหมดกินเหมือนกันหมดไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็กินน้ำคนก็กินน้ำแล้วแล้วมันแตกต่างอะไรกันแล้วมันจะอะไรกันมากคือสุดยอดอาหารก็มาจากมแมลงที่ต่ำต้อยในเรื่องของเครื่องดื่มมันก็เป็นน้ำที่ว่าสรรพสัตว์ทุกอย่างสัตว์อะไรมันก็กินเหมือนเหมือนกันในเรื่องของเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่ว่าคนใส่แล้ว เชิดที่สุดหลงเลื่อง ก, กับมันที่สุดก็ผ้าไหมผ้าไหมมาจากไหนครับก็มาจากหนอนไหมหนอนที่ใครเห็นก็องๆเอามาเป็นเสื้อผ้าก็คือจุดมามันก็มาจากสิ่งที่ว่าคนนั้นไม่เห็นคุณค่าของมันส่วนเรื่องของการแต่งงานอันนี้คือคำที่ท่านอรีใช้นะวันลอะว่าลำครับเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของที่ออกของปัสสวะที่ว่าอยากไปเจอกับที่ออกปสัสสาวะคือพอมองภาพอย่างนี้พี่น้องรู้สึกไง คือถ้าเกิดว่าผู้ชายที่กัดมาเนี่ยฉันเจอผู้หญิงคนนั้นฉันอยากไปอยู่กับเขาฉันอยากไปโอบกอดฉันอยากไปทําอะไรก็ตามกับเธอสารพัดท่านอดีสรุปง่ายง่ายเลยไอความรู้สึกทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องของที่ออกของปัสสาวะที่ว่ามันอยากจะไปเจอกับที่ออกของปัสสาวะด้วยกันเป็นเรื่องที่มันแค่นั้นมันแค่นั้นฟามมันมชมูมเขาบอกไงครับส่วนเรื่องการดมกลิ่นที่หอมที่สุดที่ท่านอบีตสา ร, รเปรียบที่เราฟังเป็นประจำก็คือมิส มิสมันก็มาจากสัตว์ถูกไหยครับมาจากกวางมิสมาจากต่อมของมันส่วนเรื่องการฟังการฟังที่คนชอบที่สุดนั้นก็คือการนินทาซึ่งมันก็เป็นบาปสำหรับเขาถูกไหมครับคนที่เราชอบฟังส่วนใหญ่ที่เราชอบฟังก็คือเรื่องเป็นนินทาใส่ร้ายไปว่าร้ายคนอื่นหรือเป็นเรื่องที่ว่ามายกยอเรามายกหางเราทาให้เราเสียคน ท่านในดีก็บอกว่าหลักๆความสุขของคนมันวนเวียนแค่นี้เลยนะกินดื่มสวมใส่แต่งงานดมดอมหรือว่าฝังหลักๆมีหกอย่างแต่หกอย่างนี้ที่ว่าทำให้คนเสียผู้เสียคนอย่างแค่เรื่องของเพศนี่ก็ทามาเสียคนตกม้าตายมาหลายคนแล้ว เรื่องอาหารการกินกินเกินพอดีกินจนเป็นโรคหรือว่าอะไรก็ตามแต่ซึ่งถ้าเกิดเราดูปุ๊บดุนยามันแค่นั้นแล้วท่านอาลอีรรย์รอวานหูได้บอกว่าไงครับในดุนยาเนี่ยถ้าเกิดจะสรุปจากหกข้อเนี่ยหลักๆแล้วถ้าที่จะเหลือที่คนทุ่มกับมันหนักสุดก็มีการกินการดื่มการใส่การแต่งงาน ซึ่งทั้งหมดนั้นมันก็คือผลสุดท้ายมันก็เป็นปัสสาวะเป็นอุจจาระเป็นของอะไรที่มันต้องหลังออกมาเป็นอะไรที่มันต้องออกมาที่มันต้องออกมาจากร่างกายในสภาพที่ไม่ดีสุบานอัลลอฮครับซึ่งท่านจาบิดก็ได้บอกครับท่านจาบิดก็บอกว่าฉันก็ได้พูดคุยกับท่านอาลีก็คือคนดีๆเวลาเจอกันเขาก็พูดในสีฮัเตือนกันเอาสิ่งดีๆมาแลกเปลี่ยนกัน ท่านจาบิดก็พูดครับว่าแล้วก็สิ่งที่ช่วยให้เรานั้นรู้สึกพอเพียงกับการเสพสุขในดุญญาก็คือการเยี่ยมหนุมฝังศพเพราะฉันได้ยินท่านนบีมุ ส, สลิมพูดว่าพวกท่านจงไปเยี่ยมหนุมฝังศพเถิะเพราะว่ามันทำให้หัวใจนั้นมันอ่อนนิ่มลงแล้วก็มันทำให้ตานั้นหลั่งน้ำตาแห่งความยำเกรงแล้วก็มันทาให้คิดถึงวันอาคราีรอ นี่คือภาพรวมครับที่ผมพูดตอนแรกว่าอยากให้เรามองในมุมมองของมาได้แกก็คือถ้าเกิดเรามองมุมมองของคนนอกที่ไม่ใช่มนุษย์แล้วก็มามองบางทีเรอาอาจจะแปลกใจในพฤติกรรมที่เราทําในวันนี้ว่าวันนี้เราทําอะไรลงไปมันเป็นอะไรที่มันยังประโยชน์อะไรให้กับเราจริงๆหรือเปล่าแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ว่าเราจะกลับมาเสียใจทีหลังหรือเปล่าการที่เราใช้ยี่บสีชั่วโมงไปกับอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ใช้เวลาเพื่อโลกหน้าเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันคุ้มพอไหม ตอนนี้เรากำลังติดอะไรแล้วกำลังหลงอะไรอยู่สิ่งเหล่านั้นเป็นอบายมุ้ของดุนยาใช่ไหมมันยังประโยชน์อะไรพี่น้องที่รักยิ่งครับพวกเราประาศในกุรอานว่าฟาลาตูซักกูอังฟุซากุมหัวอะและมูบีมานิตตะกอพวกเจ้าอย่าได้เชิดตัวเองว่าตัวเองนั้นดีตัวเองนั้นแน่อัลลอฮ์รู้ดีว่าใครนั้นจำเกง่งต่อพระองค์เราจะพบว่ามีจิตใจมีมนุษย์จํานวนไม่น้อยที่ว่า เวลาไปถามเขาเขาก็จะพูดด้วยความเย่อหยิ่งจองหองว่าฉันเป็นคนดีพอแล้วโลกนี้ฉันก็ได้จากอัลลอฮ์นะโลกนะอัลลอฮ์ก็ให้ฉันดีกว่านี้อีกคนที่มองไม่เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองคนที่ไม่รู้ว่าใจของตัวเองนั้นได้ตายสนิทไปแล้วคนประเภทนั้นน่าสงสารครับแล้วมันจะแย่กว่านั้นถ้าเกิดเราดันเป็นคนประเภทนั้นฟาลาตูซักกูอังฟุสะกุมอย่าได้ขัดเกลาจิตใจของเราเองอย่าได้ยกอย่าได้ยกหางตัวเอง เพราะเราไม่ได้รู้จักตัวเองดีพอเหมือนกับที่อัลลอ์รู้จักเราหรอกนี่เขศผลที่ว่ามุสลิมเราต้องขอรวอจากอัลลอให้อัลลอฮ์เมตตาเราให้ภยัยเราก็อัลกอสขอบามันดฮซึ่งวเราก็ด้กล่าวว่าและใครก็ตามที่ทำให้จิตใจของเขานั้นสกกระกนั้นเขาก็ได้พบกับความขาดทุนอย่างยิ่งยวดแล้วยาดุสหูฟิตุรอบ ใครก็ตามที่หัวใจไปเกลือกกั้วกับอบายามุขพี่น้องที่รักยิ่งครับสุบานอัลลอฮหัวใจคนเราแบบที่ท่านบีมัสรอร์อิสลามได้บอกไว้ก็คือมันก็เป็นหัวใจที่ปกติแต่เวลาที่ใครก็ตามทําความดีก็จะมีการแต้มจุดที่ขาวสะอาดแจมแต้มแต้มแตมแตมแค่จุดแต่พี่น้องอย่าดูถูกคําว่าจุดเช่นเดียวกันใครก็ตามที่ควาำทำความไม่ดีสักอย่างหนึ่งเขาจะถูก แต้มจุดดำแต่มันก็ไม่ใช่แค่จุดเพราะอะไรครับอย่างหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าหน้าจอโทรศัพท์มือถือถ้าเกิดพี่น้องมีพี่น้องดูหน้าจอตัวเองหน้าจอการที่ว่าสามารถแสดงผลเป็นรูปภาพได้เนี่ยเริ่มจากการที่คอมพิวเตอร์หรือว่าตัวประมวลผลข้อมูลเนี่ยประมวลเป็นจุดจจุดจจนกลายเป็นภาพที่สมบูรณ์ด้วยกับจุดด้วยกับระยะเวลาที่เร็ว แล้วพี่น้องลองคิดว่าแล้วหัวใจของเรามันก้อนมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเท่าไหร่แล้วแต่ละวันเนี่ยเราพบเจออะไรบ้างเราฟังคนเขานินทาใส่ร้ายเยอะแค่ไหนเราไปนั่งติดตามดูสิ่งที่ไม่ดีแค่ไหนเราไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอับอายมุกแค่ไหนเราละหมาดล่าช้าแค่ไหนแเราละหมาดครบไหมหรือละหมาดของเราเนี่ยอ่อนล้อรับไหมหรือว่าอะไรก็ตามความดีที่เราทํามีอะไรบ้างที่อ่อนล้อรับที่อ่อนล้อไม่รับอะไรที่เราพูดไปแล้วอ่อนล้อไม่พอใจ แล้วบางทีเรื่องเล็กๆที่เราทําเราไม่ได้คิดแต่สําหรับพวกอัลลอฮ์มันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกับบางทีเราไปพูดถึงใครสักคนในเรื่องที่ไม่ดีเหมือนกับที่ว่าครั้งหนึ่งในบรราภรรยาของท่านนบีครับได้พูดให้นบีฟังเกี่ยวกับภรรยาอีกคนหนึ่งบอกว่ายาะระซูลล้อเนี่ยท่านอย่าไปยุ่งกับนางคนนั้นเลยนางนั้นแ่ะตัวเตี้ยหรือนางนั้นแ่ะผิวดําพูดคําอย่างเงี้ยพูดคําเดียวพูดแค่คําเดียว เพราะว่าระวังผู้หญิงบางทีเวลามีอารมณ์ปุ๊บปากมันก็พาไปก่อนนี่เป็นธรรมชาติของผู้หญิงครับแม้แต่แม่ของผู้ศรัทธาก็มีบางครั้งที่ว่าพลาดไปซึ่งเมื่อพลาดปุ๊บท่านลบีก็เตือนทันทีครั้งนี้ท่านลบีก็เตือนครับท่านลบีบอกว่าคําพูดที่เธอพูดเนี่ยถ้าหากว่าพวกพระให้มันนั้นลงประโยชน์ก็คือให้มันเปลี่ยนเป็นรูปของหยดน้ําประโยชน์ในทะเลทะเลจะเน่าหมดเลยไปว่าเตี้ย คนนั้นเน่ยเตี้ยไม่ได้ด่าดเลยนะไม่ได้ใช้คําว่าไอหรือว่าอีอะไรด้วยแค่บอกว่าคนคนั้นมันเตี้ยนะไม่ต้องไปสนหรอกแค่พูดแค่นี้ท่านเบียวคําพูดนี้ถ้าหยุดลงทะเลเน่าหมดถ้าลงผืนแผ่นดินจะไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้อีกเลยแล้วพี่น้องคิดว่าวันวันหนึ่งพี่น้องพูดอะไรอย่างนี้กี่ครั้งถ้าคนที่ไม่พูดอัลฮัมดูลิลละ แต่คนบางคนนะครับก่อนแต่งงานพูดภาษาดอกไม้พอหลังแต่งงานปุ๊บมันไม่ใช่ภาษาดอกไม้อีกต่อไปแล้วสามีก็ด่าภรรยาด้วยกับคําที่หยาบคายภรรยาก็ด่าตอบสามีด้วยกับคําที่หยาบคายแค่คุยกันเขาก็ทําบาปไปแล้วแล้วบางคนก็ยังมีหน้ามาพูดบอกเนี่ยฉันคงไม่ได้ทําบาปอะไรรอวัน ว, น, วนหนึ่งฉันไม่ได้ทําอะไรเลยเราไม่รู้เองหรือเปล่า อันนี้คือประเด็นที่น่าเป็นห่วงนะครับว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าเราคิดว่าเรารู้หรือเปล่าครับพี่น้องที่รักยิ่งครับสําหรับพี่น้องที่สลา ม, มานะครับก็วยายลิกุมสลมุลอฮ์ุลลาวะบารักกาตุครับผมก็ขอบคุณที่มาร่วมกันนะครับผมเนื่องในวันนี้นะครับเราได้พูดคุยกันสรุปกันในส่วนของสุลตั้วชัมส์เราได้สรุปว่าในการที่บอสล์รสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบอสล์ก็ได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาสาบานซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ว่าเราพบเห็นแล้ววเราาคิด่มัน มหาสัรร์ในการสร้างสรรค์ของพวกเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นการคงอยู่ของสิ่งเหล่านั้นเพื่อเหตุผลเดียวที่พวกเรากล่าวในสุรชรรมส์ก็คือเพื่อให้จิตใจนั้นได้ขัดเจลาให้ดีขึ้นพวกเราสร้างดวงอาทิตย์สร้างดวงจันทร์สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการทํางานของเราเหมาะกับการพักผ่อนของเราเหมาะกับการดําเนินชีวิตเหมาะกับการที่เรานั้นจะได้มีความสุข หรือว่าจะมีความทุกข์หรือว่ามีอะไรบ้างทั้งหมดเพื่อให้เรานั้นได้ขัดเกาตัวเองเพราะฉะนั้นสรุปด้วยกับคำที่พวกองค์อรรษมาตาได้ส่งใช้ก็คือก o อดอัฟละฮ์มันซักกะฮ์วะกอดะขอบัมันดัซฮทั้งหมดที่เราเห็นการอยู่ของจั ก, กรวาลทั้งหมดที่เราเห็นใครก็ตามที่ขัดเกลาจิตใจของเขาได้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปก่อนที่เขาจะจากโลกนยาทั้งหมดนี้ไปเขาได้รับชัยชนะแล้ว แล้วใครก็ตามที่ทําให้หัวใจของเขานั้นสกรปรกเขาได้ขาดทุนแล้วอย่างแน่นอนครับผมดิฉันรอครับในอาทิตย์หน้านะครับครั้งต่อไปเราจะมาพูดถึงกลุ่มชนที่พระองค์ละกล่าวไว้ในสุร้อนี้หลังจากที่พระองค์บอกว่าเป้าหมายของชีวิตนั้นก็เพื่อที่จะขัดเกลาตนเองเพื่อทําให้อัลลอฮ์รักพวอเราได้พูดถึงหนึ่งในกลุ่มชนที่นักวิชาการบอกว่าถูกลงโทษ ด, ด้วยกับการลงโทษที่เบาที่สุดเช่าที่แต่ละกลุ่ม ได้ถูกลงโทษมาแต่ประเด็นคือถูกลงโทษสาเหตุที่ถูกลงโทษเพราะอะไรครับเพราะเขาทำให้หัวใจของเขาแปดเปื้อนจนถึงระดับที่ทำให้พว้ร้อนนั้นลงโทษเขาตั้งแต่ดุลยยาแล้วเรามาพูดคุยกันว่า เราจะมีโอกาสเป็นกลุ่มคนเหล่านั้นไหมแล้วเราจะทำไงที่จะให้คนที่เรารักแล้วก็ตัวเรานั้นปลอดภัยจากการที่จะมีคุณลักษณะเดียวกับกลุ่มชนที่ว่าหรือกลุ่มชนที่หนักกว่าที่ว่านี้อินชาลอรเรามาคุยกันในครั้งต่อไปครับสําหรับครั้นี้ก็ขอตัวาจากพวงอ๋อครับให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ได้ได้รับฟังสัจธรรมแล้วก็ได้รับประโยชน์จากศัจธรรมให้เรานั้นได้อ่านคัมภีร์กุรานของพระองคอรร์ให้เรานั้นได้ท่องคัมพีของพระองค์คำพูดของพระองค์แล้วให้เรานั้นได้รับประโยชน์จาก อัลกุรอานอย่างเต็มที่ทั้งในดุนยาในลุมฝังศพแล้วก็ในอาคียร์เราขอใ ห, ให้เรานั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ได้ได้รับฟังสัจธรรมแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจมันไม่ได้แยแะสะมันแล้วก็ได้แต่หลอกตัวเองไปเป็นวันๆขอให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ว่าพวกเรานั้นรักแล้วก็พอใจพวกเขาให้ภัยพวกเขาแล้วก็ยกโทษพวกเขาแล้วก็ขอให้คนที่เรารักเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวของเราได้อยู่ร่วมกับผู้ที่พองรักด้วยความ รักด้วยความเมตตาของพระองค์ด้วยเถิดอาเมนครับอักูลูกะลีฮะดะวาอัลสักฟุลลอฮ์ลีวาลักุมวลิซยลิมุสลิมีนมินกุลิดสักฟิรูอินนะฮูฮวัลกฟูรอัราฮมย้ำนะครับพี่น้องที่รักครับวันเวลาจะเป็นยังไงก็ตามแต่มันจะเกิดปรากฏการณ์อะไรก็ตามจะเกิดธรรมชาติจะเป็นพระวาตภัยจะเกิดภัยพิบัติหรือว่าจะเกิดดาวตกดาวหางสุริยะขาดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ เราอย่ า, ามัวไปมองมันสวยอย่างนั้นมันดีอย่างนั้นมันอะไรอย่างนั้นมันอย่างอะไรอย่างนี้ขอให้เราคิดเสมอเมื่อเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป้าหมายทั้งหมดนั้นเพื่อให้เราขัดเกลาตัวเองครับสุภารกาา็ลลอฮ์มลายฮัมดิแกอัชด่วนเลยลายลานตะอัสซัควิกะวาตูบิไลอัสลาโมไลากุมวาโรห์มะตุลลอฮ์วะบารักาตูคร